ท่นังที่เคารพคะเมื่อนั่งสมาธิกันฟังพุทธวจนะกันมาตามเวลาที่สมควรแล้วเราก็มาสนทนาธรรมในช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุทธวจนะกันต่อไปเลยนะคะกับพระพยบูลอภิปุนโนวัดป่าดอนหายโศกดอนธานีค่ะกราบนมรดการณ์กับท่้งคะเชิญพานค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่ที่ฉันตั้งใจว่า จะกราบเรียนถามท่านอีกสักครั้งหนึ่งหลังจากถามมานานแล้วอืมในโลกใบนี้ยค่ะท่านคะในบ้านคําว่าโลกถ้าจะให้สมมุตินะครับพระพุทธองค์อยู่ในดิฉันไปกราบเรียนถามท่านว่าท่านคะโลกนี้คืออะไรโอโลกคืออะไรในสมัยก่อนการพูดถึงดาวดวงโลกนี่กันหรื อ, อยังคะใช่ใช่แล้วเขาเห็นดวงจันทร์เนี่ยเขาก็คิดว่าโลกอื่นต้องมีแน่เลยเแล้วโลกนี้มันโลกอะไร เขา<ช>พยายามคิดใครกว่าโลกนี้มีไหมโลกอื่นมีไหมถ้าโลกนี้เราจะเป็นยังไงโลกหน้าจะเป็นยังไงเนี่ยมีความคิดอย่างนี้กันนะเป็นหนึ่งในท็อปฮิตสิบท็อปฮิตที่เขามีกันในสมัยนั้นนะ<ช><ม>เขามีความเห็นมีท็อปฮิตสิบอย่างนะคือเรียกว่าทิฐิสิประการนั่นเองนงะ<อ>ที่เป็นคําถามที่ด่า ด, ดื่นเลยอยู่ในยุคประการนะใครไปเจอนักปราชญ์คนไหนก็จะเออโลกนี้มีไหมโลกหน้าเป็นยังไงว่าอย่างนั้นค่ะเออเออก็ถามกันอย่างนี้อยู่แล้ว ทีนี้ว่าผู้เช่าก็ทํายังไงนะตอบคาถามพวกนี้ว่าอย่างไงค่ะผู้เช่าเปรียบเหมือนกับเวลาที่มีคนถูกลูกศรแทงแทงที่อกปึ๊กเข้าไปเนี่ยโอ้โหแล้วเราจะไปหาว่าะจะตายอยู่แล้วลูกศรอับยาพิษด้วยเวลานี้สําคัญมากในการที่จะรีบหาหมอมารักษาแต่พอหมอมารักษาแล้วบอกโอย้ยยังยังยังอย่าเพิง่งรักษาอย่าเพิง่งรักษาไปตามตัวคนร้ายก่อนมันเป็นใครกันแน่พ่อมันชื่ออะไรแม่มันชื่ออะไรมันทํานี้ทําไมอาวุธที่ใช้เป็นแบบไหน สืบสวนกันไปเถอะไม่ทันการตายพอดีนะเราถ้าเราจะไปหารู้ว่าโลกอย่างที่เขาคุยๆกันเนี่ยเป็นยังไงเนี่ยนะเราก็จะเหมือนกับนักวิทยาศาสตร์เนี่ยที่เขาคิดค้นกันหลายชั่วอายุคนแล้วเขายังตอบไม่ได้อยู่ดีน ะ, ะตั้งแต่สมัยไหนล่ะยุค ก, กลางนู่นน่ะคุณยมติ๋วที่เขาคิดว่าโลกแบนต่อมาอีกนักวิทยาศาสตร์ชุดหนึ่งบอกโลกกลมต่อมาวิทยาศาสตร์ชิดหนึ่งบอกว่ามียูนิเวอร์สนะขยายไปแรงต่างจนวันนี้ก็ยังหาคําตอบไม่ได้อยู่ดี เนีเป็นหลายรุ่นแล้วเป็นหลายพันปีแล้วมั้งเนี่ยนีซึ่งความคิดต่างๆเหล่านี้พระเจ้าบอกอ้าวงี้เรามาสนใจกันแค่ตรงนี้ดีกว่าเอาที่เรารู้ได้รู้ได้เลยเดี๋ยวนี้นี่ยพรเจ้าก็บัญญัติเรื่องโลกเอาไว้ว่านั่นก็คือขันต่างห้านี่เองนีไม่ว่าจะโลกนี้โลกอื่อนเอายกไว้ก่อนเนีแต่ทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งนั้นเนี่ยก็จะไม่หนีขันห้าตรงนี้เนี่ยคุณไปดาวดวงไหนก็ต้องมีรูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณ ค, คุณมาอยู่ดาวดาวงนี้ก็มีอันนี้เหมือนกันรูปเวทนาาาสสััญญญงริ อยู่ในตัวคุณเองนี่นี่ที่ฟังอยู่ตอนนี้ก็ยังมีรูปเบตนาสัญญาสังขารวิญญาณมีแน่นอนเพราะนั้นเรามาพยายามที่จะทําความเข้าใจตรงนี้เราก็จะฉลาดในทุกไม่ว่ามันจะมีไม่มีก็ตามนะเราก็จะรู้เข้าใจเรื่องโลกตรงนี้อยู่นั่นคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณคือขันทั้งห้านั่นแหละค่ะขันห้าเลยค่ะแต่ฉันถามกลับเปอีนิดหนึ่งถ้าตอบแบบพระพุทธองค์ว่าโลกคือขันทั้งห้า จะโลกอย่างไรก็หนีไม่พ้นสมมติว่าถ้าเป็นโลกเป็นใบๆที่มีแผนที่ประเทศเราอยู่บนโลกนี้ด้วยน่ยนะคะเรียบร้ออันนี้จัดได้ว่ามีขันทั้งห้าครบไหมคะใช่ใช่ก็โลกไม่มีชีวิตนะคะท่านค่ะอขันทั้งห้าของโลกกลมๆนี้อยู่ที่ไหนคะท่านคะเอาขันทั้งห้าของโลกกลมๆนี้โลกก็คือรูปไงเอ่อโลกอย่างเช่นโลกของเราเอิร์ธเนี่ยนะที่เขา<ช>เรียกว่าเอิร์ธเนี่ย w o r เนี่ย ก็คือมีท่าดินท่าน้ำท่าไฟท่าลม <c oughs> นะอากาศสธาช่องว่างก็มีก็มีธาตุเหล่านี้ประกอบอยู่แล้วสัตว์ตัวไหนนะสัตว์ตัวไหนที่ม า, ามายึดถือโลกนี้ว่าโลกต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือคุณมีสัญญาสังขารละปรุงอยู่ในโลกหใบนี้ละนะคือความที่สัตว์นั้นนะ่ยมายึดถือนะเพราะนั้นโลกนี้จึงเป็นฐานที่ตั้งแห่งเวทนาที่เกิดขึ้นในจิตของสัตว์ดวงนั้น ค่ะอย่างนี้นะด้วยความที่เป็นโลกอย่าง ค, ความที่เรียกว่าโลกโลกเนี่ยคําว่าโลกเนี่ยก็เป็นสัญญานะค่ะอ่าโลกก็มีฤดูนั้นฤดูนี้เอา้านี่ก็เป็นสังขารนะค่ ะ, ะมีการเปลี่ยนแปลงนะอย่างนี้ค่ะก็คือว่าถ้าใช้ขันทั้งห้าเป็นตัวตั้งเราจะสามารถนำเอาไปปรับประยุกต์กับทุกสรรพสิ่งได้ ไม่ว่าจะมีชีวิตหรือไม่มีชีวิตอย่างนั้นคุณผู้ชมคใช่ใช่กองกองพวกนี้เนี่ยนะผู้เรียใช้คำว่ากองขันเนี่ยแปลว่ากองมารวมรวมกันเอะตรงนี้จะจัใส่เข้าในไหนในห้าอย่างนี้เอามันได้เข้าสักได้สักอันแดนหนึ่งอะ่ะค่ ะ, ะมันรวมรวมกันอยู่ในนีน้ะก็จะไม่หนีจากพวกนี้เราจริงจึงเรียกว่ากองขันค่ะบนโลกวันนี้ก็มีคนที่มีความรู้หลากหลายต่างคนต่างก็ศึกษาเรื่องของโลกกันคนละแบบสองแบบอืม บางคนศึกษาทางด้านภูมิศาสตร์บางคนศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์บางคนศึกษาทางด้านของอ่าแยกกันไปอีกนะเดี๋ยวนี้มีชีวเคมีอะไรต่างใช่ค่ะ <laughs> ท่านคะทีนี้ดิฉันอยากกล่าวเป็นถามว่าโลกที่คนทุกคนควรที่จะศึกษามากที่สุดคือโลกอย่างไรคะก็คือโลกที่อยู่ในตัวเรานั่นเองนะคือตัวเรานั่นเองเราต้องศึกษาตัวเราให้ให้เข้าใจร่างกายของเราจิตกองเรามันเป็นยังไง ทีนี้เวลาเราจะศึกษาแล้วเราจะเข้าใจเนี่ยโอ้ยถ้าคุณยังเข้าใจว่าอันนี้มีโมเลกุลอย่างนี้มีอะตอมอย่างนี้แยกอะแปลกงี้คือแค่รูปเฉยๆนะคุณยังไม่เข้าใจพิทณาไม่ได้เข้าใจสัญญาสังขารเลยทีนี้พระพุทธเจ้าก็จึงบอกว่าเวลาที่คุณจะเข้าใจเข้าใจที่เรียกว่าเข้าใจเข้าใจเนี่ยนะไม่ใช่ว่าคุณบอกคุณเข้าใจคุณจําได้เรียกว่าเข้าใจไม่ใช่นะแต่ที่คุณจะเข้าใจเนี่ยก็ต้องด้วยนัยยะที่บอกว่าเอ๊ะเหตุเกิดมันคืออะไรเหตุเกของโลกคืออะไรคุณรู้หรือเปล่า นะแล้วความดับไม่เหลือของโลกคืออะไรคุณรู้ไหมแล้ววิธีการที่ทำให้ถึงความดับเนะี่ยคืออะไรก็จะพูดไง่ายๆก็คือว่านายะของอริยสัจ ส, ส่นั่นเองนะถ้าเรามา ค, คิดใคร่ครวณด้วยนายะของอริยสัจีนั่นแหละคือโยนิโสมนสิการอันนี้ดีมากๆเลยโอเคเช่นสมมติว่าเราคิดถึงตัวเราในเรื่องของร่างกายอื่นั่นเองเนี่ยชอบพูดกับคนรอบตัวในเวลานี้นะคะว่า ให้เคารพเวลาที่ผ่านไปนะความแก่เป็นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอันนี้ในความเข้าใจของดิฉันนะคะว่าสำหรับคนที่เกิดมาแล้วคือพูดง่ายๆว่ามันเจอแน่ลหละหนีไม่พ้นเพราะบางคนเนี่ยเด็กสักอายุประมาณ 3, 4, สาม <c oughs> สิ่สิบนีเขารับไม่ได้นะคะเขางงว่าทำไมเราพูดอย่างนั้นเรื่องความแก่เหรอค่ะคือคือดิฉันหมายความว่า ความแก่มันจะเป็นความที่เสื่อมใช่ไหมคะชไอ้ความที่เสื่อมเนี่ยมันนำมาถึงซึ่งความไม่สบายกายใช่ไม่สบายใจอืมซึ่งเราหนีไปไม่พ้นต่อให้เราจะไปประทินผิวดึงหน้าดึงตาอืมโบท็อกอืมค่ะอันนี้คิดแบบมนุษย์โลกอะค่ะอ่าก็ก็ถูกต้องนะคุณยมติพูดถูกเพราะโดยอริยสัจสี่อย่างที่ท่านบอกดิฉันกำลังจะยกตัวอย่างอะค่ะอืม ถ้าถ้าคุณโยมติ๋วเนี่ยเรียกว่าเป็นกระแลในมิตรของบุคคลนั้นเลยนะเพราะว่าห้ามเพื่อนเสียจากที่ประมาทสมมติคน 30- 40, 40ิบสจะประมาทในวัยเฮ้ยเราไปบอกข้อมูลเนี่ยเขานะีโหเราเป็นคนดีนะเพราะว่าเราห้ามเขาจากความประมาทนะห้ามมิตรจากที่ประมาทถ้าเขาเป็นคนบัณฑิตนะเขาจะรู้เลยว่าเราเป็นเพื่อนดีแต่ถ้าเขาเป็นคนพาลเขาก็จะมาด่าเราอีกเนีท่ทีนี้ <c oughs> ก็เลยอยู่ที่ว่าเราพยายามจะรักษาเพื่อนไม่ประมาท ทีนี้อย่างเรื่องความแก่ตรงนี้นี่แะคือความที่เราเข้าใจว่าโทษของมันโทษของขันโทษของกองโทษของตัวเรานี่คืออะไรความที่มันเสื่อมรอบไปได้ความเสื่อมรอบไปแห่งอายุความสิ้นรอบไปนี่แหละคือโทษของขันทั้งห้าตัวนี้มันเปลี่ยนแปลงได้ความเสื่อมรอบเหรอคะใช่ความเสื่อมรอบไปแห่งอายุนี่คือความแก่ความมีผมหงอกความมีฟันหลุดความมีหนังเหี่ยวความสิ้นไปรอบแห่งอายุ เนี่ยคือความแก่แมันมีโ <Okay. S 1> ทษนะตรงนี้ <Okay. S 1> เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของหลักสูตรคนเก่าคุณําติ๋วจังเลยไหมค <Okay. S 1> ือว่าแค่จิตของเราเนี่ยในขณะที่เรารู้ลมหายใจอยู่เนี่ยนะท่านมาพูดอะไรกันมาเรารู้ลมหายใจอยู่นะ <Okay. S 1> แต่นี้พอมีโฆษณา ป, ปุ๊บจิตเราไม่ได้หายไปจากลมหายใจทันทีแต่มันจะเริ่มแก่จากลมหายใจก่อน <Okay. S 1> พอเริ่มแก่ไปสักพักหนึ่งตรงนู้นมันดึงเราหนักมากขึ้น โฆษณาดึงเราหนักมากขึ้นเราก็จะไปจิตเราก็จะเริ่มเกิดแล้วตอนตอนตอนตอนที่เรามันดึงเรามาะความแก่เริ่มเกิดขึ้นจากจิตของเราที่มารู้ลมหายใจอยู่จนกระทั่งมันตายไปจิตของเราตายไปจากการรับรู้ลมหายใจไปเกิดอยู่อย่างเต็มที่โตเต็มที่แล้วในเรื่องโฆษณาบ้างหรือมาช่วงต่อไปของรายการบ้างคุณลืมลมไปหายไปแล้วไม่รู้เรื่องเลยประมาท้วเพราะคุณยังไม่รู้ว่าตัวเองแก่ตัวเองตายตอนไหนในจิตของลมหายใจของเราคอันนี้นะ น่ยตัวอย่างความแก่ในจิตนะแค่ว็บเดียวเท่นั้นเองอืมค่ะเป็นต้นอืมค่ะทีนี้อ่ความที่ที่ฉันถามก็คือท่านบอกให้เอาอาริยสัจคือทุกสมุทยัยนิโรธา ม, มารไปพิจารณาในเรื่องขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารดีฉันจึงขออนุญาตที่จะยกตัวอย่างเรื่องรูปแล้วก็ยกตัวอย่างที่ว่ารูปให้คานึงถึงไม่เที่ยงคือเสื่อมคือมีแก่ มีเสื่มไปพิจารณาทุกสมุทัยนีโรดมากจากเรื่องรูปนี้อย่างไรใช่ไหมก็คือว่าเหตุเกิดของรูปคืออะไรค่ะไหนะพระเจ้าพูดถึงภรรษะนี่แหละเป็นเหตุเกิดของรูปนะพรรษะที่เกิดขึ้นก็ทําให้เรามารู้ว่ามีธาตุดินน้ําไฟลมไหนะพวกนี้คือภรรษานี่เป็นเหตุเกิดของรูปนะแล้วก็พูดถึงคือสอย่างนี้เป็นนยัยยะหนึ่งที่เราพิจารณาได้ นัาบุายังเพิ่มอีก3าอย่างคือโทษประโยชน์แล้วก็ทางออกของมั น, น, นก็จะรวมเป็นทั้งหมดเจอย่าง่เจอย่างเอาพูดถึงความตัวมันเองก่อนตัวรูปคืออะไรนักบุญอธิบายมีธาตุดินน้าไฟลมนี่คือรูปหรสิ่งของที่แตกหักไปได้ด้วยความหนาวความร้อนความหิวความกระหายพวกนี้คือรูปทั้งหมดหรือรูปประกอบอย่างเช่นว่ า, าสิ่งที่ พระพุรูปอย่างเงี้ยจริงๆเราดูเนี่ยมันเป็นพระพุธรูปจิ๋วจริงแต่เนื้อมันจริงๆเป็นทองแดงเป็นต้นอย่างเงี้ย <Okay. S 1> คือตัวมันเองคือธาตุดินคือทองแดงแล้วก็รูปอาศัยตัวทองแดงนั้นอันนี้เรียกว่ารูปทั้งนั้นต่อมาคือความดับไม่เหลือของรูปคือความดับไม่เหลือของปัจะ <Okay. S 1> ถ้าเราปัจจัหมดไปแล้วเราก็ไม่เห็นเราก็ไม่รู้ถึงเรื่องรูปนั้นแต่วิธีการที่ทําให้แก้ปัญหาตรงนี้ได้น่นก็พูดถึงอริยมรรคมีองค์แปดนั่นเอง ค่ะคือหมายถึว่าถ้าเรายกตัวอย่างความแก่ของกายของเราอืนะคะเราก็พิจารณาว่าร่างกายของเราเนี่ยประกอบด้วยดินน้ำไฟลมซึ่งพระพุธองตัดไว้ว่าเป็นสิ่งของที่แตกหักไปได้ด้วยความหยุกระหายอืมอย่างนั้นหรือเปล่าคะถูกต้องคือมันเสื่อมได้ถูกต้องนี่คือนี่คืออ่าให้เห็นความเป็นธรรมชาติอืกตอของรูปทีนี้ความทุกข์ของรูปคืออริยสัจข้อที่หนึ่งก็คือเสื่อมไปได้คือความที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้ ะ ค, ะความไม่เที่ยงนี่คือความทุกข์ของมันค่ะสมุทัยคือเหตุของทุกข์<ช>อันนี้อยู่ตรงไหนคะท่านคะสมุทัยก็คือเหตุของเจ้าตัวรูปนี่ไงเกิดมาได้ไงคือผัสสะโอ้ค่ะผัสสะหรือในอีนยะหนึ่งของตัวคนทั้งหมดเลยนะพระเจ้าบอกว่าอาศัยธาตุทั้งหกคือดินน้ำไฟลมนะแล้วก็อาศัยมารดาบิดานะแล้วก็อาศัยคันธภัก ค, คือสัตว์ที่ก้าวลงก็จึงมีตัวคนขึ้นมานี่ก็อีกนัยะหนึ่งนะพูดถึงนอกจากผัสสะาาแล้วก็มีพวกนี้ด้วยค่ะ แล้วก็ในส่วนของการพิจารณามิโรดคือเหตุของการจัดความดับกับอริยมรรคกับมรรคนะคะว่าดับอย่างไรอก็คือให้เห็นว่าดับได้ด้วยการต้องประพฤติปฏิบัติดับความทุกข์ถูกไหมคะดับความทุกข์จากเรื่องของรูปไม่ใช่ว่าดับความทุกข์จากเรื่องของรูปด้วยการไปเข้าคลินิก แก้ไขอันนั้นอาจจะจำเป็นสำหรับคนที่มีความจำเป็นที่จะต้องอยู่บนโลกนี้ทำงานทำการด้วยการที่รูปยังยังติดอยู่ในรูปอยู่ค่ะหรือว่าอาจจะไม่ได้ติดหรอกแต่ก็ทำไปตามสมัยนิยมก็ไม่เป็นไรคือบางทีมันไม่ใช่สมัยนิยมนะคะบางคนก็มีความจำเป็นในการที่เขาจะต้อง ป, ปฏิบนะัติหน้าที่ในทางโลกกันคะ่ะอือืมอืมนะคะกับสุดท้ายก็คือว่า ถ้าอยากจะดับความทุกข์อย่างสิ้นเชิงจากการที่รูปเกิดมาแล้วเสื่อมแล้วก็แตกสลายไปได้ต้องปฏิบัติอริยมรรคมีองค์แปดเท่านั้นใช่ใช่ะคะนี่เป็นเป็นแนวทางในการวิเคราะห์สำหรับทุกอย่างเลยใช่ไหมกระ่านถูกต้องถ้าเราไม่หลุดออกจากเรียสสีเนี่ยเราจะวิเคราะห์ตารมะไม่มีทางผิดเลยค่ะต้องแนวแนวนี้เท่านั้นทีนี้ถ้าท่านจะเมตตาให้ปัญญาดิฉันเข้าใจว่า พรุ่งนี้เราวิเคราะห์กันเพิ่มในเรื่องของของมนุษย์ที่เป็นโลกคือตัวของเราอืทุกทุกคนตัวของท่านผู้ฟังทุกคนในส่วนของขันอีกสามสี่ขันที่เหลือดีไหมคะดีได้นี่ยิง<ด>่งจะเป็นาการดีนะคะเป็นแบบฝึกหัดจะได้เกิดความคล่องตัวความชํานาญในการที่จะใช้ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกันทั้งคะได้ได้ได้ค่ะวันนี้เราก็คงจะ วิเคราะห์เพิ่มไม่ได้แล้วนะคะจะได้พูดทิ้งท้ายรายการดีๆหน่อยค่ะกราบนมัสการของพระคุณท่านเพริบุญเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะเช่นพานข้าท่านฟังค่ะที่ชันเองก็เหมือนกับว่าปัญญาก็ยังต้องการครูบาอาจารย์ที่จะมาช่วยทําให้ปัญญาดีขึ้นกว่าเดิมนะคะแล้วก็คิดว่าท่านฟังอีกหลายๆท่านอาจมีความต้องการอย่างนี้ด้วยเหมือนกันก็จึงได้พยายามกราบเรียนถามพระอาจารย์เพริบุญในรายละเอียดลงไปอีกให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป ดังนั้นเนี่ยเราจะมีโอกาสดีนะคะเหมือนยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวหรือหลายๆตัวเลยคือไม่ต้องไปแสวงหาจากข้างนอกศึกษาธรรมะจากในตัวของเราพรุ่งนี้เราก็มาสร้างความชํานาญกันในรายการอย่าพลาดกันล้กันนะคะดิฉันได้กราบเรียนพระอาจารย์ไปแล้วแล้วก็ส่วนรายการของเราท่านที่เพิ่งมาฟังชื่อรายการสัมสนีสนสนานะคะดําเนินรายการโดยสัมสนีนาคพงษ์ เราจัดรายการนี้กันมาเป็นเวลาแรมปีแล้วนะคะแล้วก็เชื่อว่าสิ่งที่พระศาสดาสอนที่เราเรียกกันว่าเป็นพุทธวจนะเพราะสมัยก่อนไม่มีบันทึกอะไรก็ตรัสอย่างเดียวเป็นทั้งวินยัยแล้วก็ทั้งในเรื่องของธรรมะคือคำสอนต่างๆนี้เมื่อทุกคนนำไปใช้แล้วก็จะเกิดประโยชน์อย่างสูงสุดกับการดาเนินชีวิตของทุกคน คือมีชีวิตที่สวัสดีนั่นเองค่ะวันนี้เราก็จะบอกที่ที่จะให้ท่านติดต่อสำหรับการส่งคำถามมาที่พระอาจารย์ไพบูลกเพเยวธรรมะ .com/ 106ไปศึกษาธรรมะให้กระจายในข้ออื่นๆที่ดิฉันไม่ได้ถามไปท่านก็จะมีขึ้นเว็บของท่านเอาไว้เยอะไปหมดเลยนะคะในส่วนของรายการนี้ก็ 02-269-0006 ท่านมาทิ้งคาถามไว้ก็ได้แต่ เท่าที่ดิฉันสังเกตนะคะไปไหนก็มีคนฟังรายการทักทายฟังฟังส่วนใหญ่ชอบฟังคําถามที่ดิฉันตั้นขึ้นมาหรือว่าท่านทั้งหลายได้ส่งไปที่พระอาจารย์ไพบูลตรงๆ <Oui. S 1> ที่นี่ก็จึงเป็นที่ที่จะขอหนังสือได้อีกอย่างหนึ่งค่ะนะคะสำหรับหนังสือพุทธวจนะผู้ที่ต้องการไข้ครวญว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงๆอย่างไรก็มาขอกันนะคะที่เบอร์0ูนย์สอ0สอวันนี้ลากันไปแต่เพียงเท่านี้ค่ะ พุทวัตสวัสดีค่ะ